ให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ นี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาดขาขวาท่ขาซ้ายมือขวาหนายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทธโธในใจสมาธิคือธรรมะชั้นสูงสมาธิ เป็นสิ่งที่สามารถทําความสุขให้แก่บุคคลสมาธิสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราให้เดินไปตามร่องรอยสมาธิเป็นสิ่งที่พวกเราทําได้สมาธิเป็นสิ่งที่สามารถจะ ทำสิ่งต่างๆที่คนอื่นทำไม่ได้อานุภาพแห่งสมาธินั้นไม่สามารถจะคำนวณได้และไม่สามารถจะพูดได้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ความกว้างใหญ่หรือสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าเป็นอาจินไต คือลึกซึ้งเกินกว่าที่จะนำเอามาพูดให้ได้หมดแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัตินั้นสามารถที่จะนำเอามาเป็นขั้นเป็นตอนนำเอามาเป็นประโยชน์นำเอามาสำหรับใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุด ถ้าหากว่าพ้ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของสมาธินั้นก็น่าจะได้ศึกษาให้กว้างขวางและรอบครอบเพราะว่าสมาธิมีทั้งคุณมีทั้งโทษพ้ที่ไม่เข้าใจบางทีก็ทำให้เกิดโทษแก่บุคคลผู้นั้น ที่ว่าทให้เกิดโทษนั้นก็คือว่านำสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันกับเงินที่เราได้มาถ้าเราไปใช้ในทางผิดจ้างไปฆ่าคนหรือจ้างไปทำร้ายหรือเอาเงินไปทำให้เกิดความ ตำนสูงอะไรต่างๆเงินก็ไม่มีประโยชน์ให้โทษแล้วก็ให้โทษติดคุกติดตารางให้โทษตกนรกหมกไห ม, กมไปเลยแต่ถ้าหากว่าเอาไปทำสังคมสงเคราะห์ใช้เรียความสุขของตนเพื่อบุคคลผู้อื่นด้วยการเอาเงินของเราไปทำก็เป็นประโยชน์นันยิ่งใหญ่ สามารถที่จะเหี่ยวงวงเหนี่ยนว น, ยน้ำใจบุคคลผู้อื่นสามารถที่จะมีบริษัทบริวารสามารถที่จะทาความสุขจากบุคคลหนึ่งไปหารอยหาพันหาหมื่นหาแสนนั่นคือการใช้ให้เป็นประโยชน์มนการทำสมาธิก็เป็นข้อเปรียบเทียบอันเดียวกัน สมาธินั้นเป็นประดุจเงินหรือเรียกว่าอริยศัพท์อริยศัพท์ช้นนีเป็นอริยศัพท์ที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาให้แก่ตนได้แต่การที่จะสร้างอริยศัพท์ช้นนีขึ้นมาให้แก่ตัวของเราและเก็บไว้ที่ใดนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่รู้เอง เราทำแม้จะมากน้อยเราก็เก็บไว้ที่ใจสะสมไว้ที่ใจผิดกันกับที่เราสะสมเงินเราสะสมเงินนั่นมีอันหมดไปใช้ไปใช้มาในไม่ช้าก็หมดถ้าไม่รู้จักใช้ส่วนสมาธินั่นไม่ไม่รู้จักหมด สะสมไปเท่าไหร่ก็กลายเป็นวาสนากลายเป็นบารมีกลายเป็นพลังจิตสืบ่เนืองหรือเรียกว่าต่อเนื่องเช่นท่านพระสาวกท่านบำเพ็ญนาอักสาวกบำเพ็ญสีส่แสนกับพระพุทธเจ้าบำเพ็ญสีอสงไขยแสนกับสาวกธรรมดาบำเพ็ญสองแสนกับ เป็นต้นคำว่ากลับกับหรือเรียกว่าเลวกับกันนั้นก็เป็นระยะอันยาวนานสมาธิที่ท่านทำมาจึงเป็นนินนนนสัยเป็นปัจจัยเป็นบารมีเพื่อที่จะไปสู่จุดที่ไหนปลายทางเมื่อบุคคลผู้ที่สะสมสมาธิ ในทางที่ผิดแทนที่จะไปได้เร็วก็เกิดความล่าช้าการที่สมาธิให้โทษนั้นไม่ได้พาบุคคลให้ไปตกนรกเหมือน ก, นกันกับผู้ที่ใช้เงินในทางผิดพาไปตกนรกแต่ผู้ที่ทำสมาธิไปในทางที่ผิดนั้น ทำให้เกิดความนั่นชาหรือทำให้เกิดความต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารช้าลงไปอีกแต่ก็ไม่ได้มีโทษถึงกับว่าจะต้องไปตกนรกผู้ทำความผิดหรือให้โทษในทางสมาธิคำที่ว่าโทษของสมาธินั้น ก็คือความวิปรปัาดความวิปรปัาดต่างๆความไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธศาสนานี้ก็มีบางตอนที่พวกพราหมณ์นำเข้ามาใช้แล้วก็ปะปนกันไปเพราะฉะนั้นบางที ผู้ที่ทาสมาธิก็คิดอยากได้ฤทธเดชบางทีผู้ทาสมาธิก็อยากจะได้ยานได้ฌานบางสิ่งบางอย่างเอามาประกอบเป็นอาชีพเป็นต้นว่านำสมาธิเหล่านั้นไปดูสิ่งนั้นว่างไปดูหมอดูอะไรสรัพัะ หรือว่าชักชวนกันทําให้เกิดฤทิ์เกิดเดชวิธีการด้วยประการต่างๆสิ่งเหล่านี้ในครั้งพุทธกาลนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็มีฤทธิ์พระสาวกก็มีฤทธิ์ที่ทําฤทธิ์ขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นอิทธิปาฏิหารและให้เป็นธรรมเทศนาปาฏิหาร ภายหลังมานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติวินัยห้ามไม่ให้ภิกษุแสดงฤทธิ์ถ้าแสดงท่านปรับเป็นอบัติข้อนี้นั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่สนับสนุนในการที่จะให้มีอิทธิวิตต่างๆในครั้งนั้นท่านพระมโมฆันลา และท่านพระสารีบุตรถ้าไม่ใช่พระโมคคานาและพระอินโดพาัทวาชสององค์ท่านเหาะมาในอากาศแล้วเอาเท้าของเอานิ้วเท้าของท่านขี้หินซึ่งก้อนใหญ่เบอ้อผู้คนก็พากันตกอกตกใจแต่การเท พระโมกคันลาและพระปินโนภาลัทธวาชะที่ท่า น, สนแสดงปฏิหารทางนั้นก็มีเหตุคือมีเศรษฐีคนหนึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์กันแน่ก็เลยเอาบาตรนี่ไปแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่สูงได้หกสิบศอกใครเป็นพระอรหันต์ก็มาเอาไปก็แล้วกันพระโมกคันลาและพระปินโนภาลัทธวาชะ ท่านก็เลยเหาะมาเพราะเศรษฐีประกันไว้ว่าเจ็ดวันถ้าไม่ถึงเจ็ดวันนั้นถ้าเลยเจ็ดวันไปนั้นเศรษฐีก็จะเข้าใจว่าพระอระหันต์ไม่มีในโลกพระโมคคันลานะและพระปินโดภารัถวาชะกลัวเศรษฐีจะเข้าใจผิดจึงเหาะมาเอาบา พระพุทธองค์ทรงทราบ พ, พระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติว่าภิกษุใดทาปาติหารกลับเป็นอาบัติเพราะฉะ น, นั้นโทษของการที่ทำสมาธิก็มีแค่นี้หรือว่าบุคคลผู้เท่มีความเข้าใจผิดเกิดสัญญาวิตระรายว่าเรานี้ ได้สาเร็จเป็นพระอะไรโสดาบันสกิทาคาบ้างซึ่งก็ไม่ได้สำเร็จตามนั้นเพราะเหตุเมื่อทำสมาธิไปแล้วมันเกิดความเยือกเย็นเกิดความสบายเกิดความอัศจรรย์ก็เข้าใจตัวเองผิดเมื่อเข้าใจตัวเองผิดก็เป็นสมถูปกิเลส ถ้าเข้าใจผิดไปถึงท่านวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสณูปกิเลส mm. สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันตกกลายเป็นการเพาะกิเลสขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทําไมจึงเพาะกิเลสขึ้นมาเพราะความสําคัญผิดเมื่อสําคัญผิดแล้วตัวเราเป็นผู้สําคัญตัวเราผิด ก็เลยเกิดเข้าใจว่าตัวเรานี่ดีกว่าคนอืน่นใครๆก็สู้เราไม่ได้เพราะเราได้สาเร็จแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้สาเร็จบางทีเกิดวิปัสสนาปกิเลสก็เข้าใจว่าได้สาเร็จทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวก็ไม่ได้สาเร็จแล้วก็ถือมานะจิติถือมากเข้าจนกระทั่งเป็นคารวะให้พระกล่าว อย่างนี้เพราะว่าพระนั่นเป็นปุถุชนแต่คาราวะนั่นเป็นพระอริยะบุคคลเสียแล้วก็ให้พระกล่าบไปสักเกิดโทษกันใหญ่ก็ด้วยเหตุความเข้าใจผิดนั่นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราปฏิบัติในทางสมาธิจึงควรจะได้ศึกษาหาความรู้และพยายามที่จะ หาหนทางเดินเข้าไปสู่ความจริงการเดินเข้าไปสู่ความจริงนั้นเราใช้สมาธิเป็นเพียงบาดฐานสมาธิเป็นเพียงบาดเพื่อที่จะส่งจิตของเราเข้าสู่วิปัจจนานั้นเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นในมรรคแปบดบท่านแสนแดงว่า สัมมาสมาธิเป็นข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิในองค์มรรคนั้นท่านระดับเอาเพียงแค่จตุทัยฌานคือฌานที่สี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทัฌานเมื่อถึงจตุทัยฌานก็เป็นอันว่าพอแล้วไม่จำเป็นต้องทำให้มากไปกว่านั้น เรื่องของสมาธิถ้าหากว่าทำมากเกินไปถึงเรื่องสมาธินั้นก็จะเกิดกลายไปเป็นพวกพรหมพวกพรหมนั้นมีอายุยาวเหลือเกินแต่ว่ายังต้องมาเกิดอีกเสียเวลายิ่งไปเกิดในอสศันยีภพอาศันญีภ พ, ญญพนั้นอายุเป็นกับ เมื่อไปเกิดในอสัญญีภพแล้วต้องไปเสียเวลาสวยสุขสบายอยู่นั่นอีกนานเพราะฉะ น, นั้นท่านผู้เป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะไม่ไปเกิดในอสัญญีภพเพราะว่าอยู่ที่นั่นนานเหลือเกินการเป็นอสัญญีภพนั่นก็คือผู้ที่ทำจิต เข้าไปอยู่ในลักษณะหนึ่งที่เกินกว่าจะตุกทิชานแต่ไปเป็นอรูปฌานเมื่อเข้าไปถึงที่นั่นแล้วไม่มีสัญญาอะไรทั้งสิ้นเงียบชิดไปเลยหมดความรู้สึกแม้กระทั่งฟ้าผ่าก็ไม่ได้จินแม้กระทั่งเอาเข็นไปแทงยังไม่รู้สึกเลยอันนั้นเขาเรีย ก, กว่าอสัญญีสตา ถ้าทำอย่างนั้นแต่ถึงเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอสัญญีภพดังนั้นการทำสมาธิเราจะต้องรู้ว่าการทำสมาธินี้คือปัจจัยเป็นปัจจัยส่วนที่เรียกว่าสมาธินิเทศเป็นนิเทศหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของกองกำลัง หรือเรียกว่ากองำกำลังบำรุงการที่จะไปรบทัพจับศึกให้ได้รับชัยชนะจำเป็นต้องมีกองกำลังถ้าไม่มีกองกำลังนั้นเราจะใช้อะไรไปรบ ก, ก็มีแต่ความประราชัยไพ่แพ้แต่ถ้ามีกองกำลังสมบูรณ์แล้ว การที่จะไปรบทัพจับสึกนั้นก็ได้รับชัยชนะชั้นใดกำลังของสมาธินั้นก็เป็นเพียงกำลังเพื่อที่จะเข้าไปรบให้ได้ชัยชนะแก่กิเลสแต่ว่าการที่ทำสมาธินั้นเพื่อที่จะบำรุงหรือเรียกว่าเพิ่มกูลพลัง การเพิ่มภูมพลังนั้นเราต้องใช้การใช้เวลาบำรุงพลังอือเตรียมพลังไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าสะสมกำลังเมื่อการสะสมกำลังนั้นมันขาดตกบกพร่องผิดตรงใดเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะสมาธินั้นมีสิ่งต่างๆยอะยะ อยู่ภายในสมาธินั้นและในสมาธินั้นก็มีสิ่งที่ให้ความสุขความสบายอีกมากมายในสมาธินั้นในเมื่อเราทำสมาธิพิจารณาไปภายในอันนั้นในสมาธิอันนั้นเราก็จะไปพบคืพบส่วนที่เราได้สะสมเอาไว้ เรียกว่ากดกำลังถ้าเราไปพบในส่วนที่เราสะสมไว้เราก็ถือว่ามีสติสตินั้นได้รับการบำรุงขึ้นมาจนกระทั่งเกิดความแก่กล้าส่วนที่สมาธิที่สะสมเอาไว้นั้นเมื่อมันเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้ว ตัวของตนจะเป็นผู้เข้าใจว่าอ๋อสมาธินี่มันมีกำลังเพียง น, นี้เมื่อเข้าใจในข้อนี้แล้วข้ออื่นๆต่อไปนั่นก็ไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าการที่ทำจิตลงไปจนกระทั่งรู้รู้ในฐานนะคือรู้ฐานที่ตั้ง การรู้ฐานที่ตั้งนั้นเรียกว่าเป็นผู้ที่ลืมตาขึ้นหรือเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสิ่งที่ตนกระทำข้อนี้ถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบก็เหมือนผู้ที่สาเร็จปริญญาต่างๆเมื่อเรียนไปเรียนไปในที่สุดก็จบปริญญา เมื่อจบปริญญาแล้วคนนั้นเขาจะรู้จักฐานของที่มาของปริญญาที่ตนได้รับเมื่อรู้จักฐานนั้นแล้วเขาก็ใช้ฐานานั้นวิจัยในความรู้ต่างๆทำงานไปไม่รู้จักหมดเมื่อเรียนจบจกนกระทา่งเรียกว่าเป็นจบด็อกเตอร์หรืออะไรท่านที่สุด จะเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ในที่สุดเขาจะเอาวิชาอันนั้นออกจาหนคือออกกระจายไปเพื่อทำงานตลอดชีวิตของเขาวิชานั้นก็ไม่ได้หมดไปแต่ว่างานต่างๆมันเกิดความสำเร็จขึ้นทั้งๆวิชาเหล่านั้นก็ยังอยู่ในปกติ เขาจะทำวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้แล้วก็นำเอาความรู้อันนั้นออกกระจัดกระจายกระทำไปตามเหตุและผลหน้าที่หน้าที่นั่นก็กลายเป็นเรื่องสำเร็จเป็นขั้นตอนแต่ว่าส่วนทุนที่เป็นด็อกเตอร์นั้นไม่ได้หมดไปยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ เนใดก็ดีสมาธิที่เข้าถึงหลักการหรือเรียกว่าเข้าถึงหลักเราสามารถที่จะไปเจอหรือว่าเราทำจิตนี้เข้าไปสู่สภาวะที่ถูกต้องหมายถึงการทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิตการทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิตนั้นคือการเข้าไปรวมพลังที่ ที่ให้เกิดความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จต่างๆที่บุคคลที่เรียนเราเปรียบเทียบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกที่เขาเรียนสำเร็จกันเมื่อเราทำสมาธิเข้าขั้นแห่งความสำเร็จขั้นสมาธินั้นตัวผู้ที่กระทำนั้นจะต้องรู้ตัวเอง เหมือนกันกันกบผู้ที่ได้สาเร็จปริญญานี้เขารู้สอบได้แล้วขั้นหนึ่งสอบได้แล้วขั้นสองสอบได้แล้วขั้นสา ม, ขสามเขาสอบได้เมื่อเวลาเปรียบเทียบเหมือน ก, นกันกับที่เราสอบของเรื่องสมาธินี่มันมีขั้นเ้าเรีย ก, กว่าขั้นสาเร็จขั้นสาเร็จนั้นอยู่ที่ผู้มารู้จักฐานที่ตั้ง ผู้เทพได้กำหนดจิตจนกระทั่งสามารถรู้จักฐานที่ตั้งของจิตได้เรียกว่าถีติภูตังในการที่จะทำจิตนี้ให้เข้าสู่ฐานที่ตั้งได้นั้นจะต้องมีการกระทำที่เรียกว่าทดสอบเพราะฉะนั้นในการที่จะรู้จัก ว่าเขาสำเร็จดอกเตอร์ได้ก็เพราะเขาสอบมีคณะกรรมการมีผู้ที่ทรงคุณวุฒิให้คะแนนแล้วแหละสอบสำเร็จการที่จะทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นก็มีคณะกรรมการเหมือนกันแต่คณะกรรมการในที่นี้คือผู้ที่รู้และผู้ที่เห็น ผู้ที่จ ะ, ะทดสอบนั่นเช่นเมื่อจะทําจิตถึงขั้นนี้ก็ตั้งร่างกายขึ้นมาจะเป็นรูปใครก็ได้จะเป็นลูกหญิงลูกชายจะเป็นลูกคนที่รู้จักไม่รู้จักก็ได้เป็นโครงกระ ด, ดูกขึ้นมามองลงไปเห็นชัดเจนแล้ว หนึ่งครั้งยังไม่ได้สองครั้งยังไม่ได้สามครั้งยังใช้ไม่ได้ต้องหลายครั้งแล้วผู้นั้นก็จะต้องทวนกระแสจิตมาสู่ที่ตั้งของจิตว่าใครเป็นผู้ที่รู้ใครเป็นผู้ที่เห็นที่ร่างกายที่เอามาตั้งไว้ข้างหน้าเนี่ยใครเป็นคนเห็นทวนกระแสมาในที่สุด ถึงที่สุดนั้นจิตนี้จะทวนกระแสขึ้นมาเองเจอตัวผู้เห็นถ้ามาเจอตัวผู้นี้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าเรียรพร้อมเรียกว่าสำเร็จการที่บุคคลจะสำเร็จปริญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องสำเร็จ ตั้งร้อยครั้งพันครั้งคือเขาสําเร็จครั้งเดียวปริญญาตรีก็ครั้งเดียวปริญญาโทก็ครั้งเดียวปริญญาเอกก็ครั้งเดียวครั้งเดียวพอแล้วถ้าไปสําเร็จสองครั้งสามครั้งก็ผิดเขาเรียกว่าผิดธรรมาชาติผิดวิสัยเขาสําเร็จทีเดียวก็ได้ประกาศมีบัตรมาแล้วผู้ที่ทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้น ก็จะปรากฏขึ้นในปรากฏขึ้นในขณะเดียวแล้วก็แล้วกันนะไม่ต้องปรากฏอีกแล้วทวนกระแส จ, จิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็จะรองอ้อมัวอยู่นี่เองหรกือนั่นแหละคือคณะกรรมการตัดสินโดยเด็ดขาด เมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะไม่มีการเสื่อมสิ้นหรือเรียกว่าเสื่อมเสียจะทำยังไงจะทายังไงก็เสียหายไปไม่ได้เพราะเข้าถึงความสำเร็จในหลักของขั้นสาคัญการที่จะร้องพ่อได้นั้น่ะว่าอยู่ที่นี่เองหรอกหรือ อันนี้เรียกว่าเป็นคําอุทานดั่างเ่าที่เคยที่ยินพระพุทธเจ้าสิพระองค์สาเร็จพระองค์ก็ได้อุทานออกมาหรือยอย่างที่ท่านพระอัญญาโกนทัญญาเนี่ยท่านก็อุทานออกมาพระพุทธเจ้าก็อุทานออกมาว่าอัญยาซีวัตโฟโกนทัญโยอัญญาซีวัตโฟโกนดัญโยติโกนทัญญะลูแล้วหนอ โกธัญญารูแล้วหนาแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของพระอริยะบุคคลในการทวนกระแส จ, จิตมาถึงที่ตั้งของจิตนี้ไม่ใช่อริยะบุคคลแต่ว่าเป็นสมถะที่สมบูรณ์สังเ็จขั้นสมถะที่สมบูรณ์เนี่กว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดเรื่องของสมถะเท่านั้น เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่สามารถทนกระแสจิตนิถึงที่ตั้งของจิตได้นี่ก็เป็นผู้ที่มีความสําเร็จเช่นเดียวกันกับเขาสําเร็จด็อกเตอร์แต่การสําเร็จด็อกเตอร์นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นนายพลหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรี อันนั้นเป็นเพียงสมบัติเขาเรียกว่าคุณสมบัติคุณสมบัติอันนั้นเองที่จะทําบุคคลให้เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้ใดก็ตามอันนั้นถือว่าเป็นความสําเร็จถ้าเปรียบเทียบก็เรียกว่าสําเร็จเป็นอริยะบุคคล แต่ว่าการที่จะสาเร็จเป็นอริยะบุคคลนั้นเหมือนกับที่เขาได้ด็อกเตอร์เขาต้องใช้เวลาเขาต้องใช้เวลาทำงานเขาต้องใช้เวลาที่หาบริษัทบริวารเขาจะต้องหาสิ่งหลายๆอย่างกว่าที่จะได้ตามขั้นตอนเป็นเท่านั้นซเท่านี้ซีอะไรสุดแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ กว่าที่จะเลื่อนขั้นขั้นตอนไปนั้นต้องอาศัยการอาศัยเวลาอีกมากมายอันนี้พูดนี่น่นเป็นข้อเปรียบเทียบให้เข้าใจเข้าใจว่าการที่บุคคลทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นถือว่าเป็นผู้ดีได้สำเร็จเปรียบประดุลก็เรียกว่าสำเร็จขั้นด็อกเตอร์ ยังมีสิ่งที่เขาจะต้องทําอีกมากคือเข้าสู่วิปัสนาหรือเข้าสู่ปัญญาอันที่เรียกว่าอริยสัจซึ่งก็จะต้องทําอีกมากมายเหลือเกินเรียกว่าอีกมากมายนักที่กว่าจะจัดเข้าไปสู่ความเป็นอริยะหรือเรียกว่าจิตที่เข้าไปสู่สัจธรรมเรียกว่าอริยะนั่น เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาหนทางใดทำให้เราสาเร็จเป็นขั้นตอนนั้นก็อยู่ที่เราพาการศึกษาและมีความพยายามที่จะแก้ไขถ้าเราแก้ไขตัวของเราเองได้เราก็สามารถแนะนำคนอื่นแก้ไขคนอื่นได้ สิ่งอันนี้ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปัจจุบังผู้ที่จะรู้และจะเห็นจะเพราะตนเราพูดกันถึงเรื่องสำเร็จด็อกเตอร์เขาก็ปัจจุบังสำเร็จขึ้นมาแล้วผู้ที่สำเร็จเขาก็รู้ตัวถ้าหากว่าไม่ไปประกาศให้ใครเขารู้คนนั้นก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นด็อกเตอร์ เราว่าไม่ได้เอาประกาศนิยบัตรแขวนคอไปตลอดเวลาเดินไปไหนเขาก็เหมือนกัะคนธรรมดานี่เองถ้าหากว่าไม่ประกาศว่าฉันเป็นด็อกเตอร์หรือว่าใครเขาประกาศให้ว่าเป็นด็อกเตอร์หรือว่าหรือว่าใครๆเขาก็รู้ว่าเป็นประกาศทางโน้นทาง น, น, างนี้ให้คนอื่นรู้เขาจึงจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นด็อกเตอร์แต่ถ้าหากว่า ไม่มีใครประกาศมันก็หัวดำ ๆ, อ ค, อๆ 2, 2, 1, คอกิ่วๆขาสองแขนสองหัวหนึ่งก็อันเดียวกันเหมือนคนทั่วไปข้อนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าผู้ที่สามารถควรกะเสดจิตมาถึงที่สั้งของจิตได้นั้นก็เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันเรียกวปจัจะตังรู้จะพระตัวเขาไม่ได้ไปประกาศาว่าฉันนี่ เป็นผู้สมถะพอแล้วฉันนี่เป็นผู้ได้สําเร็จขั้นตอนนี้แล้วก็กลับไม่ได้ถึงนประกาศไปคนอื่นก็รู้ด้วยไม่ได้อย่างนี้พราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงขั้นตอนขั้นตอนยังไม่ทันถึงเช่นคนที่ยังไม่ได้สําเร็จปริญญา แม้กระทั่งปริญญาตรีอยากจะไปเป็นใหญ่เป็นโตก็เขาก็ต้องรับราชการไปตั้งแต่ชั้นเล็กๆ เ, เป็นคนตํารวจเป็นข้ารจชการธรรมดาไปอย่างนี้กว่าที่จะขึ้นสังเดจขั้นสูงสุดนั้นก็แทบเจ้าฝันไม่เห็นอันนั้นก็เรียกว่าคุณไม่พอ เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำจิตนี่เป็นข้อเปรียบเทียบเช่นเดียวกันเมื่อเรายังไม่ทันถึงขั้นเดียวกันก็ยังไม่เข้าขั้นเราจะไปเอาชั้นสูงสุดนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกันกับคนตำรวจต้องการเป็นอธิบดีแม้จะฝันไปก็ยังไม่เห็นเรียกว่าชีวิตนั้นไปไม่รอดถึงขั้น แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของสมาธินั้นนั่นก็จะไปเปรียบเทียบเหมือนโลกภายนอกทีเดียวก็ไม่ไปได้เพราะสมาธิเป็นเรื่องของการสะสมกําลังสะสมกันไปเรื่อยอย่างท่านผู้ที่ได้สําเร็จนี่ท่านสะสมมาเพื่ออะรจะเรียกว่าทำมาอย่าง ท่านสี่องค์ที่ท่านนั่งันขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาอะแล้วก็ถีบกระไดทิ้งอย่างนี้สมาคิดอยู่บนที่หน้าผาไปไหนก็ไม่ได้องค์หนึ่งได้สําเร็จบิณฑบาตมาให้ฉันสามองค์ไม่ยอมอีกสามองค์วันต่อมาองค์ที่สองได้สําเร็จบิณฑบาตมาให้สององค์ สององค์ก็ไม่ยอมฉันในที่สุดสององค์ก็ตายบนหน้าฐานั่นจนได้และความที่ท่านได้ทํามานั้นองค์หนึ่งได้เป็นพระคาหิยะองค์หนึ่งได้เป็นพระบูมาน ร, รกตศกก็ได้สำเร็จพระอราหันต์ทั้งคู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะ หาหนทางที่จะทำให้เกิดความสาเร็จจึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาพิจารณาถึงอย่างไรวิปั จ, จานานั้นก็อย่าหากมีโอกาสเราก็ทุ่มพิจารณาไปว่าะวิปัสนานั้นก็รู้อยู่แล้วอย่างแจ่งชัดว่าทุกขังอนิจจังอนัตตา ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทำยังไงจิตของเราถึงจะปรากฏสิ่ง น, นั้นขึ้นมาในจิตได้อันนั้นก็เป็นวิปัสสนาเป็นส่วนที่จะทำให้เรามีมิสัยปัใจจัยในทางที่เป็นพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราไม่มีทุก ข, ขังอนิจจงอนัตตาไว้ในจิตของเรานี่ เราก็จะไปทางโลกีกสุดตัวเลยเรียกว่าไปทางโลกิยชาญสุดตัวถ้าไปโลกิยชาญสุดตัวนั้นก็ไปเป็นพวกลือสีต่อไปเราจะเกิดแล้วก็ไปไปเป็นจําพวกลือสีไปซะเลยนั่นคนนั่นนานรี่อีกไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนละนานจนกระทั่งไม่รู้ พอไปเป็นพระพรหมแล้วก็มาเกิดมาเกิดแล้วก็ไม่รู้ไปไหนกว่าจะมาเป็นพระพรหมก็เกิดไปกว่าจะพบพระพุทธเจ้าได้กวแย่ใช้เวลานานมากแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาโลกีจนสุดตัวแล้วเราก็เอาโลกุตระมาเป็นนิสัยไว้ทุกขังอนิจจังอนัตตาพิจารณาเอาไว้ อันนี้ก็โอกาสที่เราจะพทธพุทธเจ้าเหว่อโอกาสพทธพุทธศาสนานั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในระยะเวลาอันไม่นานนักแต่ในขณะที่เราใช้วิปัจจนานั้นเราก็อาจจะสามารถทำจิตของเราให้ต้นกิเลสได้ในชาตินี้ก็ได้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ ก็ทำให้สาเร็จนในชาตินี้เมื่อทำสาเร็จในชาตินี้ได้ก็หมดปัญหาไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราท่านทั้งหลายเรื่องของการปฏิบัตินั้นคือการปฏิบัติสมาธินั้นชีวิตมีเท่าไหร่ทำไปจนหมดนั่นแหละอย่าได้ไปพากันทิ้งควา้างอย่าพากัน ทิ้ง้อทิ้งซะเพราะเรารู้หลักรู้ข้อปฏิบัติรู้หนทางแล้วทำไปเลยชีวิตของเรามีเท่าไหร่เรายกให้เรื่องของสมาธิไปท่านเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ระเสริฐถึงว่าไม่ใช่พระแต่ก็เป็นพระไม่ใช่นักราชก็ชื่อว่าเป็นนักราชเป็นบัณฑิต เป็นผู้ที่เข้าใจดีในการเข้าใจดีก็คือเป็นพุทธศาสนกที่ดีที่สุดเมื่อ mm. เราเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทนี่แหละที่เราจะได้ mm. มีจิตอันที่เรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานนั้นคือเป็นสิ่งที่หมดข้องความกังวล ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถนำเราไปสู่พระนิพพานได้ต่อไปทำสมาธิกันต่อไปดีสั